เมื่อคุณโสดยังเป็นสุขคุณจะไม่คิดสะละโสดไปเองต้องสำรวจตัวเองว่าเหตุที่อยากเป็นโสดคืออะไรบทเรียนที่เจ็บแสบถึงกระดูกหรือว่าพบจิตวิเวกจากการเจริญสติแล้วรู้แล้วว่าชีวิตที่เหลือจะอุทิศให้กับสิ่งนี้ถ้าพบจิตที่วิเวก รู้จักแนวทางเจริญสติให้อยากเปลีกยวิเวกยิ่งยิ่งขึ้นคุณไม่ต้องตั้งใจอย่างไรก็ไม่มีทางวันไหวแต่ถ้ารู้ตัวว่ายังอดแอ บ, บชอบใครต่อใครไม่ได้ถ้ารู้ตัวว่ายังขาดยังเหงายังอิจฉาคนมีคู่ที่เปล่งประกายความสุขก็อย่าไปปักใจอย่าไปคิดอะไรให้มันขัดแย้งเป็นทุกข์เปล่าควรเลือกการตั้งใจมั่น อธิษฐานให้สมกับจิตใจของเราเช่นฉันจะไม่เอาคนที่ศีลไม่เสมอกันมาเป็นคู่เด็ดขาดฉันจะเริ่มภารกิจเกี่ยวกับคู่รักก็ต่อเมื่อเจอคนที่พร้อมจะปรับตัวเข้าหากันประเภทด่วนได้ด่วนเสียแล้วติดตังแก่ไม่ออกทีหลังเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะตลอดชีวิตที่เหลือเพราะตั้งโจทย์ถูกก็ไม่ต้องว้าวุ่น อยากแอบชอบหรืออยากพิสวาสใครก็ช่างใจปะไรแต่ที่แน่ๆคือเราจะคุมอำนาจอยู่เหนือฤทธิ์พิสวาสใช้สมองกรองคนใช้ใจอย่างรู้อนาคตจากข้อมูลปัจจุบันเราเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าอยากไปให้ถึงจิตตาวิเวก ก็ต้องอัดรู้หัดต่อแต่เจริญสติไปเห็นไปเรื่อยๆว่าพอแอบชอบใครแล้วความคิดสว่า์ทำอะไรใจเราบ้างบีบให้กระวนกระวายฟุ้งซ่านลวงให้วาดวิมานในอากาศสุดบันเจิดหรือว่าล่อให้กังวลคิดมากกลุ้มใจกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเห็นระลอกของสุขทุกทางใจที่สลับหน้ามากระทำกับใจเป็นครั้งครั้ง นับไปด้วยว่ามันอยู่กับเราได้กิลมหายใจในที่สุดจะเปลี่ยนจากว่าความไปเจอรถวิเวกของจิตที่เป็นอิสระจากอารมณ์พิษสวาสด์นั่นแหละความเป็นไปได้ที่จะโสดอย่างเป็นสุขและเมื่อโสดอย่างเป็นสุขกุญจะไม่คิดสละโสดไปเองหมดอาการเบือ่อเบ่ออยากๆไปเอง